คนเราเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยก็ควรรู้จักแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตที่จริงจะใช้ว่าแสวงหานี่ก็คงไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไปไปหาเอาตามที่ต่างๆไปตามวัดวาว่าจะมีวัตถุมงคลไหมน้ำมนต์หรือว่าพระเครื่องหรือว่าไปซื้อออกมาไปเช่าออมา จริงมงคลชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปหาไปซื้อไปขอแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะอย่างที่เราสวดวสักครูเนี่ยมงคลสามสิบปดนะก็ล้วนแต่เป็นมงคลชีวิตทั้งสิน้นก็ควรจะสังเกตว่ามันไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องของวัตถุมงคลอะไรเลยนะไม่เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้มงคลชื่อมองคลนะ เดี๋ยนี้คนเราเนี่ยยิ่งนะสนใจกันมากขึ้นนะพยายามที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลปลูกต้นไม้มงคลบ้างละ่ะหรือว่าหาเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นมงคลนะเช่นบวกกันแล้วนะมันได้ตัวเลขที่เป็นมงคลเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนชื่อให้เป็นมงคลซะให้รู้ว่าอันนั้ น, ม, นมันไม่ใช่มงคลในพุทธศาสนานะมงคลในพุทธศาสนาเนี่ย มันเกิดจากการกระทำํำเรื่องตั้งแต่การรู้จักคบเพื่อนการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตหรือการครบกะะัลยาณมิตรแล้วสิ่งที่เป็นมงคลอีกส่วนก็เป็นเรื่องของงานด้วยนะในมงคลสาสบแปก็จะมีพูดถึงเรื่องงานอยู่อย่างน้อย2ก็คือการงานที่ปราศจากโทษและการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสน การงานที่ปาสะจากโทษก็ก็คือสัมมาชีวะนั่นเองนะส่วนการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเนี่ยนะมันส่วนหนึ่งก็หมายถึงชนิดของงานนะอีกส่วนหนึ่งก็หมายถึงอ่าวิธีการทํางานด้วยนะเพราะงานที่ทำไม่ยุ่งเหยิงสับสนเนี่ยบางทีงานดีแต่ว่าก็ทําให้แต่เมื่อวางใจไม่ถูกเกี่ยวข้องไม่เป็นมันก็กลายเป็น สิ่งที่ทำให้เกิดความยุ่งเหยิงสับสนได้อันนี้การที่พระเจ้าตัดไว้ถึงงานเนี่ยนะว่ามันเป็นส่วนของมงคลชีวิตเนี่ยมันก็แสดงอยู่ในตัวว่างานเนี่ยมันสามารถจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความเจริญงอก ง, งามของชีวิตได้งานมันไม่ใช่เพียงเพียงแค่ที่มาของเงินเดือนนะของการประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงชีพนะอนนั้นมันเป็นเรื่องของกายให้เรื่องการเลี้ยงชีพเนี่ยก็ต้องอาศัยปัจจัย4ปัจจัยสี่ได้มาก็ต้องทํางานสมัยก่อนก็ทํานาทําไร่สมัยนี้ก็ไปสมัครงานไปทําราชการไปทําธุรกิจนะแล้วก็ได้เงินได้เงินมาก็มาซื้อปัจจัยสี เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความอยู่รอดแล้วเราต้องการความสะดกสบายด้วยแต่งานนี่มันทำได้มากกว่า น, นั้นนะงานมันสามารถที่จะทำให้เกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจทำให้ชีวิตเราเป็นมงคลได้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยงานกับชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ออกนะบางคนชีวิตเนี่ยก็ทุ่มเทเพื่อ ง, งานนะชีวิตนี้อุทิศเพื่อ ง, งานนะอันนี้ก็ดีอยู่นะ โดยเพราะถ้าเป็นงานที่มีประโยชน์เป็นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโลกนี้จเจริญขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีผู้คนมากมายเนี่ยอุทิศชีวิตนี้เพื่อ ง, งานนะการที่เรามีไฟฟ้าใช้การที่เรามาีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายหรือแม้แต่การที่เรามีอาหารอุดมสมบูรณ์นะไม่ขาดแคลนก็เพราะมันมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเาอุทิศชีวิตนะเพื่อ การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือการค้นคว้าในเรื่องของอเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นะก็ทาให้เราหรือคนทั้งโลกนี้ก็พอมีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะความอดอยากขี้โุ่ก็มีน้อยลงแต่ว่างานเนี่ยมันก็ต้องเพื่อชีวิตด้วยนะไม่ใช่ชีวิตนี้เพื่องานงานนี้ก็ต้องเพื่อชีวิตนะก็คือหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญ ง, งอกงาม หลายคนทํางานแล้วเนี่ยนะงานอาจจะดีสําเร็จแต่ชีวิตย่าแย่นะชีวิตย่าแย่ก็เช่นว่าเจ็บป่วยนะหรือว่าเครียดนะจนเป็นโรคประสาทนะหรือบงางคนกุ้มใจเรื่องงานจนค่าตัวตายหรือไม่เช่นนั้นก็โรคเป็นวิกจริตมีเยอะนะหรือแม้กระทั่งทํางานจนชีวิตครอบครัวย่าแย่นะ อันนี้ก็แสดงว่างานนั้นมันไม่ใช่มงคลชีวิตแล้วอันนี้แหละที่ระวังงานที่ยุ่งเหยิงสับสนนะนะงานมันดีนะแต่ว่าทำงานนะวางใจไม่ถูกต้องมันก็ทำให้ชีวิตย่ำแย่ชีวิตตกต่ำให้เรื่องของงานกับชีวิตเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจว่ามันมีความสัมพันธ์กันมาก ความสัมพันธ์ของงานและชีวิตเนี่ยถ้าจะเปรียบอุปมาอุปไมค์ก็าอาจจะเปรียบได้กับการยิงลูกธนูนะลูกธนูเนี่ยเวลายิงเราก็ต้องการยิงให้มันพุ่งไปไกลๆแต่ลูกธนูจะพุ่งไปไกลได้เนี่ยก็ต้องน้าวมันกลับมาที่ลําตัวจะต้องดึงมันมาที่ตัวเองนะยิ่งน้าวมันนาวธนู เข้าหาตัวมากเท่าไหร่ถึงเวลาปล่อยมันมันก็จะพุ่งไปไกลมากเท่านั้นก็หมายความว่าจะพุ่งไปข้างหน้าได้เนี่ยนะงานจะพุ่งไปข้างหน้าได้เนี่ยมันก็ต้องกลับมาที่ตัวเองด้วยนะหรือเปรียบให้เป็นใกล้ชิดอีกหน่อยคือต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยนะมันจะสูงได้มันจะแผ่กิ่งก้านได้เนี่ยมันก็เพราะอาศัย ร, รากที่ลึกนะรากที่มั่นคง ถ้าร่างไม่มันคงนะหรือร่างไม่ลึกเพียงพอเนี่ยลำต้นก็ไม่สามารถจะแผ่กว้างหรือว่าแทงยอดขึ้นสูงได้มันต้องได้สมดุลกันลำต้นเนี่ยทาหน้าที่พุ่งสู่พุ่งขึ้นฟ้าส่วนรากเนี่ยทาหน้าที่นะย่างลงดินมันไปคนละที่คนละทางเลยนะแต่ว่ามันเกื้อกูลกัน ยิ่งรากอย่างลงดินได้ลึกเท่าไหร่ก็ทําให้ลําต้นเนี่สามารถจะพุ่งนะขึ้นฟ้าสูงเป็นห้าสิบเมตรร้อยเมตรหรือบางทีสองร้อยเมตรก็มีนะต้นไมส้สูงสูงพวกนี้เห็นได้แต่ไกลนี่ก็เพราะว่ามันมีรากที่ลึกนะรากที่แผ่กว้างแล้วก็ยึดดินได้มั่นคงด้วยลําต้นนี่ก็เหมือนกับงานนะงานบางคนก็มีงานที่รับผิดชอบสูง นะก็เหมือนกับงานที่เมืองต้นไม้ที่มันแผ่กิ่งก้านนะให้สัตว์นานาชนิดได้อาศัยได้พึ่งพาแล้วก็งานบางอย่างก็โดดเด่นนะก็เหมือนกับลำต้นที่พุ่งขึ้นสูงนะแต่ว่าจะโดดเด่นนะแล้วก็เกื้อกูลผู้คนได้เนี่ยมันต้องอาศัยชีวิต อาศัยฐานนะอาศัยฐานก็คือชีวิตด้านในนะซึ่งก็หมายถึงจิตใจเป็นสำคัญนะนะจิตใจท้ามันคงเนี่ยมันก็เหมือนกับรากที่ลึกก็จะเป็นฐานให้กับการทำงานได้นะนะถ้าเราทำงานเนี่ยรับผิดชอบสูงมีงานเยอะนะแล้วก็เป็นงานที่มีความสำคัญแต่ว่าฐานใจนี่อ่อนแอนะใจก็ไม่ลึกเพียงพอ ก็กลายเป็นว่าวันดีคืนดีต้นไม้ก็โค่นได้นะเวลาเจอลมพัดเวลาเจอพายุนี่มันโคน่นหมดเลยนะลากก็ถูกถอนขึ้นมาจากดินส่วนลำต้นนี่ก็อพังลงไปเลยนะอันนี้ก็เกิดขึ้นนะได้กับผู้คนจนํานวนมากที่ทํางานเยอะงานมากนะแล้วก็ทุ่มเทกับงานแต่ว่าใจเนี่ยนะ ไม่มัน่นคงใจไม่มั่นคงนี่ก็กลายเป็นว่าพอเจออุปสรรคเจอความล้มเหลวนะเจ อ, เ, อเสียงติฉินนิ น, นทาวิภาวิจารณ์นะก็จอมแพ้นะเลิกลาหรือว่าเครียดเข้าโรงพยาบาล น, นะเพราะว่ากลุ่มอกกลุ่มใจหรือว่าไอ้ที่เข้าโรงพยาบาล น, นี่ไม่ใช่เพราะว่าร่างกายมันเจ็บป่วยนะ อันนั้นก็สำคัญอยู่แต่ว่าบางทีก็เกิดจากใ จ, นะใจที่เครียดใจที่เครียดใจที่ล้ามันก็ซ้ำเติมกายทำให้ยำแยนะ่บางครัก็ฆ่าตัวตายก็เพราะเพราะว่าเจอเจองานการเจออุปสรรคที่มันทำให้ตันยิ่งเอาชีวิตไปผูกติดกับงานนะงานล้มเหลวก็ชัันล้มเหลวด้วย บางคนเนี่ยถือกตินะว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานคตินี้มันก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันเป็นการไปให้ค่าความสําคัญกับผลสําเร็จมากเกินไปนะถ้า ง, งานสําเร็จฉันถึงจะมีค่าถ้า ง, งานไม่สําเร็จฉันก็ไร้ค่าจริงๆแล้วเนี่ยงานกับงานกับชีวิตเนี่ยมันน่าจะแยกกันนะคืองานไม่สําเร็จก็แต่ว่าชีวิตก็ไม่ไรค่ า, าตัวตนก็ไม่ได้รู้สึกราค่า หลวงพ่อคำเขียนท่าู้อยู่เสมอนะว่างานหลวงพ่อนี่ล้มเหลวโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับชาวบ้านนะเรื่องการพัฒนาชุมชนเนี่ยหลวงพ่อนี่ท่านเคยทํางานพัฒนาชุมชนมานก็นานที่เดียวสิบกว่าปีทั้งที่ทํามฝ่ายแล้วก็ที่นี่นั้นท่านก็รู้สึกว่างานมันไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยเฉพานในเรื่องการทรําเกษตรนะแต่ท่านก็พูดอยู่เสมอว่างานล้มเหลวแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลว หมายควาว่าทําไม่ได้ทุกด้วยเพราะว่าทําไม่ได้เอาตัวตนหรือคุณค่าของตัวเองเนี่ยไปผูกติดกับผลของงานนะันจะพูดว่าค่าของคนที่ผลของงานนี่ยมันก็ไม่ถูกทีเดียวนะแต่มันก็ดีกว่าไปเอาค่าของเอาคุณค่าไปผูกติดอยู่กับความมั่งมีความร่ํารวยหลายคนนี่ค่าของตัวเองไปผูกติดอยู่กับสินค้าแบรนดะ์เนมต้องได้ใส่ รองเท้าราคาเป็นหมื่นหรือว่าสะพายกระเป๋าราคาเป็นล้านไม่น่าเชื่อนะกระเป๋านี่ราคาเป็นล้านก็มีนะนาฬิกานี่เป็นล้านนี่ก็ก็มีเหมือนกันหรือว่าต้องขับรถเบนท์หนึ่งตัวงจะมีค่านะถ้าขับรถพิกอัพนี่ไม่มีค่าอันนี้มันแย่แล้วการที่เอาข้าของคนไปผูกติดกับผลของงานก็ยังดีแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนนะ มันอยู่ที่การทำความเพียรมากกว่าแล้วหรือว่าความตั้งใจเมื่อเราตั้งใจทำความเพียรแล้วนะสาเร็จไม่สาเร็จนะแต่หากว่าได้ทำเต็มที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าและงานนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าก็ถือว่าอ่าก็น่าภาคภูมิใจนะถึงงานไม่สาเร็จแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้ล้มเหลวตามตามกับงานไปตามงานด้วย อันนี้ชีวิตเนี่ยนะเรื่องงานนี่อย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันสัมพันธ์กับชีวิตนะมันสัมพันธ์กับจิตใจมากนะนะถ้าเราอยากจะให้งานของเรานะไปได้ดีแล้วก็มีความมั่นคงยั่งยืนเนี่ยไอเรื่องการสร้างฐานใจให้มั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นมากทีเดียวนะต้องเรียกว่าจําเป็นเลยนะนะแล้วถ้าเรามีฐานใจที่ดีนะ รู้จักวางใจถูกต้องเนี่ยการทำงานเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งบั่นทอนมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งบั่นทอนเราคือนอกจากงานได้ผลแล้วนะไอคนทำงานก็มีความสุขได้ด้วยไม่ใช่ว่างานได้ผลแต่คนทำงานทุกนะชีวิตด้านในชีวิตครอบครัวยแย่อันนั้นอันนั้นไม่ถูกนะมันเป็นไปได้นะที่ว่าทำงานไปด้วยนะแล้วก็จิตใจก็อ่า เป็นสุขหรือว่าจิตใจก็เจริญงอกงามไปด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องของการทำกิจและการทำจิตที่ต้องทำควบคู่กันนะกตัวอย่างเช่นเวลาทำงานเนี่ยถ้าเรามองว่าเออการทำงานนี่นะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะหมายความว่าเวลาทางานเนี่ยไม่ใช่ว่าทําให้งานมาสําเร็จแต่ว่ามันมีส่วนในการ อทําให้จิตใจเจริญงอกงามด้วยอาจารย์พุทธทานบอกการทํางานคือการปฏิบัติธรรมการทํางานเนี่ยมันเกิดประโยชน์ภายนอกแต่ขณะเดียวกันก็สามารถทําให้เกิดประโยชน์ตนได้ด้วยเช่นเวลาทํางานเราก็เจริญสติไปนะถ้าเราทํางานแล้วเจริญสติเนี่ยนะมันก็ได้ทั้งประโยชน์ท่านแล้วก็ประโยชน์ตนการทํางานยังมีสติไหมความว่ายงไงก็หมายความว่าเวลาเราทํางานใจก็อยู่ใจเราก็อยู่กับงาน นะเอาใจอยู่กับปัจจุบันนะวางอาดีตและอนาคตลงนะส่วนใหญ่เวลาทำงานเนี่ยใจเราก็ไปนึกถึงอนาคตเสียมากนะินะนไปนึกไปกังวลกับผลว่ามันเจาะออมาเป็นอย่างไรนะคนเขาจะพูดถึงงานของเราอย่างไรเจ้านายเขาจะว่าไหมนะหรือว่า เอจะได้รับคําชื่นชมสรรเสริหรือเปล่าบางทีก็กังวลว่าคนเขาจะต่อว่าคนเขาจะวิตภาควิจารณ์คิดแค่นี้มันก็ท้อแล้วนะคิดแค่นี้มันก็ทําให้อรู้สึกหนักอกหนักใจบางทีงานไม่ยากนะแต่ว่าการที่ไปคิดถึงอนาคตหรือบางทีไปคิดถึงภาระงานอีกหลายชิ้นที่ยังรออยู่องานที่ทํานี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีอีกเจ็ดแปดชิ้นนะที่รออยู่ พอคแบบนี้ก็ทอ้อแต่ถ้าเราลองเอาใจเนี่ยมาอยู่กับงานที่กําลังทําเฉพาะหน้าเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะมันก็ทําให้เราเครียดน้อยลงไอ้ความเครียดที่ไม่ควรจะเครียดก็ตัดทิ้งไปนะเพราะว่าไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าก็ไม่มีประโยชน์เมื่อใจเราอยู่กับปัจจุบันอันนั้นก็คือนะมันทําให้เรา มีสติมีสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาในการทํางานนั้นได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยเกิดใจเนี่ยเผอเครียดขึ้นมาก็รู้ทันความเครียดที่เกิดขึ้นบางทีความเครียดจะเกิดขึ้นจากการทํางานจนจนเหนื่อยจนเหนื่อยล้านะคือไม่ได้พักบางคนทํางานเนี่ยลืมไปล่าเวลานี่ก็แสดงไม่มีสตินะ ถ้าเรามีสติเนี่ยนะทำงานเนี่ยมันก็จะไม่อก็จะไม่ทุ่มเทจนหมดเรี่ยวหมดแรงพอรู้ว่าร่างกายเริ่มล้าหรือว่าสมองเริ่มล้าแล้วอคือรู้กายรู้ใจนะมันก็จะเราก็จะรู้ว่าเออถึงเวลาหยุดพักแล้วนะทางานไปสักชั่วโมงหนึ่งทา ง, งานไปสองชั่วโมงแล้วพักทั้งหน่อยพักสักสิบห้านาทีแล้วทําต่อเราจะพบว่า นอกจากงานมันจะไปได้ดีแล้วเนี่ยความเครียดความร้านะก็จะลดลงการทำงานกับปัจจุบันนี่สำคัญนะแล้วมันจะทำให้งานยากกลายเป็นงานที่สำเร็จได้ง่ายเมื่อสักสี่สิบกว่าปีก่อนนะมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นชาวฝรั่งเศสแกเป็นนักกยกรรมนะไตรลวดชอบไตชอบเดินบนเส้นลวดนะ ที่ขึงระหว่างตึกสองตึกยิ่งตึกสูงเท่าไหร่นี้ยิ่งชอบและความฝันของแกคือว่าเดินบนเส้นลวดที่ขึงระหว่างตึกยอดตึก World Trade Center ที่นิวยอร์กเนี่ยตอนนั้นเขาได้ข่าวว่ามีการก่อสร้างเขาก็รอมไหร่จะสร้างเสร็จนะพอสร้างใกล้เสร็จเนี่ยเขากนะ็แอบเขาแ อ, แอบขึ้นไปนะ วางแผนอย่างดีเลยนะแอบขึ้นไปตอนกลางคืนแล้วก็พอเช้าตรู่เนี่ยเขาก็เริ่มปฏิบัติการเลยทำตามความฝันนะก็คือว่าขึงลวดระหว่างยอดตึกเวเทซสองสองตึกมาเป็นตึกแฝดนะสูงประมาณสี่ร้อยเมตรแล้วพอขึงลวดให้ตึงแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเดินตอนนั้นมันเชาวว้าพอดีก็มีแค่ มีแค่ไม้เนี่ยนะไม้ยาวๆเนี่ยเอาไว้ถือเพื่อเป็นอทําให้เกิดความสมดุลตกมาก็ตายนะแล้วไม่มีไม่มีเครื่องมือป้องกันอะไรทั้งสิน้นไม่มีเชือกผูกเอาไว้เพื่อป้องกันอันตรายเขาเดินได้ไม่เท่าไหร่นะคนที่อยู่ข้างล่างก็เห็นก็ไปเรียกตำรวจมาก็ไปบอกตํารวจตํารวจก็มารอเลยนะมารอจับนะอยู่ที่ยอดตึก แต่เขาไม่สนใจนะเขาก็เดินต่อไปเรื่อยๆยอดตึกมันห่างประมาณสักร้อยเมตรได้ตึกแฝดเนี่ยนะเขาก็เดินเดินไปแล้วก็เดินกลับไอตอนขากลับมีตำรวจรออ ย, อยู่พอตำรวจจะคว้าตัวเขาเขาก็หันหลังกลับแล้วก็เดินไปอีกรอบหนึ่งแล้วกลับมาอีากเขาเดินเงียประมาณเจ็เที่ยวนะ จนกระทั่งเขาสื่อว่าหนำใจแล้วพอใจแล้วก็ลงมาให้ตำรวจจับก็กลายเป็นข่าวใหญ่นะว่ามีคนประหลาดแบบนี้ด้วยเขาเดินอยู่บนนั้นประมาณสี่สิบห้านาทีนะโดยที่สามารถจะตายได้ทุกทุกวินาทีเลยตอนหลังก็มี้ักขาไปสัมภาษณ์เขาว่าเขาทำได้ยังไงนะเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรมากนะเวลาเดินก็คิดแต่ว่าให้เท้าขวามันไป มันไปอยู่เหนือเท้าอยู่ข้างหน้าเท้าซ้ายแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายให้อยู่ข้างหน้าเท้าขวาทำแค่นี้แหละเดี๋ยวมันถึงเองถึงหมายถึงว่าถึงยอดตึกอีกยอดหนึ่งคือใจเขาอยู่กับปัจจุบันมากเลยอยู่กับปัจจุบันเขาไม่เาไม่ไม่พอวงถึงจุดหมายข้างหน้านะซึ่งเป็นยอดตึก ก็สนใจแต่ว่าเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวให้ดีเท่านี้ก็พอแล้วถ้าเดินไปไม่หยุดถึงแน่เนะ้วก็ทําสําเร็จนะทั้งที่บางเสียงเป็นเสียงตายเนี่ยตอนนั้นใจเขาไม่พวงเลยนะว่าทับพลาดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใจไม่ได้อยู่ที่จุดหมายข้า ง, างหน้าแล้วใจก็ไม่ได้สนใจพื้นดินข้างล่างนะมันอยู่แต่ว่าเท้าสองข้างเท่านั้นขี่เคลื่อนขยับนะไปทีละก้าวทีละก้าว อันนี้พูดในแง่พูดก็คือการอยู่กับปัจจุบันนะที่จริงเวลาเราทํางานเนี่ยก็น่าจะทํางานแบบนี้นะคือใจอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่มีการวางแผนนะอย่างนายฟิลิปเปอร์ตีคนเนี้ยชาวฝรั่งเศสคนเนี้ยแกวางแผนมาเป็นปีนะวางแผนว่าจะแอบเข้าไปในตึกได้อย่างไรไม่ให้เราปอพอรู้นะแล้วก็จะจะขึงเชือกให้ตึงได้อย่างไรระหว่างยอดตึกสองยอดเนี่ย มีการวางแผนเป็นปีนะแต่เวลาเขาลงมือทำํำโดยเวลาเขาเริ่มลงมือเดินนะเขาสนใจแต่แต่ละก้าวแต่ละก้าวเวลาเราทํางานก็เหมือนกันนะเราก็ควรจะมีการวางแผนแต่เมื่อเราทํางานเมื่อเราลงมือทํางานนะให้วางให้หมดนะจุดหมายก็วางเอาไว้นะ KPI ทั้งหลายก็วางเอาไว้หมดสนใจแต่ว่าทําแต่ละขณะแต่ละขณะให้ดี ถ้าเราทางานอย่างนี้ก็เรียกว่าทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นการทำงานด้วยจิตว่างด้วยก็ได้นะหลวงอาจารย์พุทธทาสบอกเนี่ยทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างนะว่างก็คือวางเรื่องอนาคตวางเรื่องอดีตนะอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียววางว่าวางเรื่องผลสำเร็จของงานนะ สำเร็จแล้วจะได้อะไรล้มเหลวแล้วจะเสียอะไรวางให้หมดนะไม่สนใจนะและพอทําเนี่ยพอทําเสร็จไม่เสร็จนี่ก็วางกันนะหมายความว่าพออทําจนอ่จบวันแล้วก็ไม่เก็บไม่เอามาไม่เก็บมารกัวตอนที่เจ้าพุทธท่านสร้างสร้างอาคารและอาคารที่สวนโมงเนี่ย ก็มีตึกมีอาคารหลายอาคารที่ดูเหมือนว่าสร้างไม่เสร็จคนก็ถามมันเนี่ยมันผ่านมาหลายปีก็ยังไม่สร้างไม่เสร็จนะก็ยังมีเหล็กง อ, อกมาเหล็กเส้นงอกออกมาตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างก็มีญาติโยมถามหลายคนถามหลวงถามหลวงพ่อพุทธาว่าเมื่อไหร่จะสร้างให้เสร็จสักทีอาจารย์พุทธาว่าเสร็จทุกวันละโยม เสร็จทุกวันนะไม่มีความว่าไม่เสร็จนะเสร็จทุกวันนะอันนี้น่าคิดนะว่าอมันหมายความว่าอย่างไรนะคือสมาธนิเนี่ยนะได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะไม่เอามาเป็นอารมณ์ไม่มาเป็นเครื่องกังวลแต่พวกเราหลายคนในเวลาทํางานเนี่ยนะนะพอทํางานจนถึงสี่ห้าโมงเย็นนะยังค้างอยู่นะ ก็แบกไปด้วยนะไม่ใช่แบกใส่แฟ้มนะแต่ว่าแบกไว้ในหัวไว้ในใจนะเอามาทำต่อที่บ้านหรือว่าถึงแม้ไม่ได้ทำแต่ว่าคอยหมกมุ่นคุ้นคิดกับเรื่องนั้นกินข้าวก็ยังคิดคุยกับลูกก็ยังคิดนะหรือว่าอยู่กับพ่อแม่ก็ยังคิดเนะี่ยอันนี้เรียกว่าไม่เสร็จนะแต่ถ้าเสร็จก็คือว่าทาได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะวางไว้ไม่ได้วางไว้ที่ห้องนะวาง จักใจนะวางจากหัวสมองนะแลถึงเวลามาจับมาทํางานก็สตาร์ทใหม่นะเหมือนกับใส่เหมือนกับเก็บของไว้ในลิ้นชักนะพอทําเสร็จก็ใส่ลิ้นชักกลับบ้านไอ้ลิ้นชักใน ท, ที่หมายถึงลิ้นชักในใจนะเรารู้จักเก็บไว้ในลิ้นชักในใจเราต้องมีลิ้นชักหลายๆลิ้นชักนะนี่ถ้ า, าลองทําแบบนี้ดูเนี่ยเราจะพบว่างานเนี่ยมันจะ มันจะบั่นทอนจิตใจหรือสร้างความเหนื่อยล้าให้กับจิตใจได้น้อยลงนะการทำงานมันจะกลายเป็นเรื่องที่เบาขึ้นและยิ่งถ้าเรารู้จักวางใจให้ดีนะคือปรับมุมมองที่มีต่อ ง, งานงานอะไรนะมันก็ไม่สำคัญกับว่าเราทำงานอย่างไรนะหลายคนคิดว่างานงานที่มีคุณค่าต้องเป็นอย่างต้องเป็นงานแบบนี้ต้องเป็นงานแบบนั้น หรือว่างานที่สนุกต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนั้นไม่สนุกนะอันนั้นมันไม่เกี่ยวมันไม่สำคัญทากับว่าเรามองงานอย่างไรมีหมอท่านหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเคยลาออกจากราชการไปช่วงหนึ่งนะไปช่วยงานของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อนี่ก็เป็นนักธุรกิจใหญ่นะแล้วก็มีสำนักงานเนี่ย ก็เป็นอาคารหลายชั้นนะแล้วก็สำนักงานเนี่ยนะก็จะมีที่จอดรถมีรถเข้ารถออกวันหนึ่งก็เป็นร้อยนะวันหนึ่งก็สังเกตว่ามีคุณลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานคุมรถเข้าออกเนี่ยเห็นมานานแล้วนะเห็นมาตั้งแต่เล็กแล้วเล้วเฉพาะตำแหน่งที่อ่คุมรถเข้าออกนี่ก็เห็นมาเป็นสิบปีแล้ว แกก็อายุหกสิบแ้มั้งอาจจะเลยไปด้วยซ้ํำนะแต่ว่าทํางานด้วยความกระฉับกระเฉงมากก็สก็แปลกใจเพราะว่ า, างานที่คุณลุงทําเนี่ยนะมันก็เป็นงานที่เหนื่อยนะแล้วก็ดูหน้าเบื่อด้วยและแถมทํางานงานนี้มาต้องสิบกว่าปีแล้ววันหนึ่งก็เลยจอดรถแล้วก็ไปคุยกับลุงนะว่าลุงทํางานนี้มาเกือปีแล้วตรงเนี้ยแกบอกสิบกว่าปีแล้วนะ หมอก็ถามต่อไปว่าโอ้หต้องสึกษาปีเ่เหรอนะแล้วทำนี้ไม่เบื่อเหรอนะคุณลุงแกตอบดีเลว่ามันจะเบื่อได้ไงไงนะสนุกสนุกออกนะทำไมถึงสนุกล่ะแกนะบอกว่าเนี่ยเวลาผมอยู่ตรงนี้เนี่ยรถจะเข้ารถจะออกเนี่ยมันก็ต่อเมื่อผมสั่งนะถ้าผมบอกให้หยุดรถก็ต้องหยุด นะถ้าผมบอกให้ลดไปเนี่ยเราถึงจะไปได้เราทุกคนต้องเชื่อฟังผมแม้กระทั่งรถของคุณพ่อคือของของเจ้าของหรือผู้จัด ก, การเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะถ้าผมบอกให้หยุดยกมือให้หยุดแนละ้วก็ต้องหยุดนะต่อเมื่อผมกวากมือถึงจะไปได้คือแกรทุกส่วนงานที่แก่ทานี่คุณค่านะมีความหมายใครๆก็ต้องเชื่อใครๆก็ต้องฟังแม้แต่เจ้าของบริษัทนะ หรือผู้จัดการนี่ก็ต้องเชื่อแกความคิดแบบนี้ทําให้แกรส่วน ง, งานที่แกทําเนี่ยมันมีความหมายนะจริงๆมันก็เป็นการเป็นการตอบสนองอีอัตธาของแกนะแต่มก็เป็นการตอบสนองอิทธาใ น, ในทางที่ดีคือทําให้รู้สึกว่ามีคุณค่าทําให้รู้สึกว่างานนี้มันมีความหมายแล้วก็ทําให้สนุกไม่รู้สึกเบื่อเลยนะทํามาสิบปีก็ยังมันเป็นงานที่อสนุกอยู่นั่นแหละนะ อันนี้เป็นเรื่องของมุมมองนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของว่าลักษณะงานเป็นอย่างไรเงินเดือนเท่าไรหรือว่ า, าตำแหน่งงานสูงมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่การาวางใจของเราเพราะฉนั้นเห็นได้ว่างานเนี่ยมันสามารถที่จะจะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เจริญงอกงามได้นะหรือว่าทําให้เรามีความสุขกับงาน และทำให้เราสามารถจะใช้พลังงานของเราเนี่ยลงไปในงานนั่นไดนะ้โดยที่งานก็ทำให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวเองหรือชีวิตด้านไหนก็ไม่ได้ทุกยากอะไรนะคนเราเนี่ยถ้าทำงานเกิดประโยชน์กับผู้อื่นแต่ว่าจิตใจยำแย่เนะชีวิตส่วนตัวยาแย่เนี่ยมันก็เรียกว่าเสียเสียโอกาสนะ คล้ายกับพัดลมนะพัดลมเนี่ยมันทําให้คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเย็นแต่ตัวมันร้อนนะและถ้าพัดลมเนี่ยไม่หยุดนะมันก็อาจจะระเบิดขึ้นมาได้หรือช็อตนะคนทุกวันนี้หลายคนทํางานเนี่ยชีวิตของตัวเองเนี่ยทํางานเหมือนกับพัดลมนะทําเปรีโยชนกับผู้คนแต่ว่าจิตใจหรือว่าชีวิตด้านในเนี่ยชีวิตส่วนตัวนี่ล้าเหนื่อยเครียดป่วยนะ แต่ว่าเราทำได้นะเราเปลี่ยนถ้าเราปรับปรับวิธีการทำงานนะทาอย่างมีสติทำด้วยใจที่ปล่อยวางปล่อยวางอาดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็วางแม้กระทั่งว่ามันไม่ใช่งานของเรานะอย่างอาจารย์พุทธธรรมบอกว่าเนี่ยเมื่อทำงานเนี่ยก็ยกผลงานให้เป็นของความว่างนะ งานเสร็จก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของเราละแต่เป็นงานของธรรมชาติเป็นงานของโลกนะใครจะมาตําหนิใครจะมาวิจารณ์เราก็ไม่โกรธใครจะมาชมเราก็ไม่เหลิองนะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราอันนี้เรียกว่าลดนะความยึดมั่นในตัวกูของกูทําแบบนี้ก็ทําให้จิตใจเนี่ยนะเป็นสุขได้จิตใจสงบเย็นได้ให้เราลองทําอย่างนี้ดูนะฝึกใจของเรา นะเหมือนกับเป็นฐานเหมือนกับรากนะที่ช่วยค้ำจุนต้นไม้ให้ให้เจริญงอกงามได้งานถ้าทำนี้ได้เนี่ยงานก็ได้ผลนะส่วนคนทำก็เป็นสุข